มีอะไรเ็บึ้นบ้างกับกายกับใจยนี้ อย่ามเราก็ไม่สีเรียนนะถ้าเราจะขยับก็เราจะเหยียดเท้าถ้เราจะอะไรก็ได้ใช่ไหมคืออ่าใชอ่าต้อง <c oughs> จับอะไรไดยงมีติบ้างห <c oughs> ลงบ่อยไหมหลงเยอะไหมมีบ้างหลงเป็นนานนะมไม่นานหรก มีใครในที่นี้ไม่หลงบ้างไหมหัวเราะกันได้แรงมั้งแต่ว่าหลงนะหลงเยอะไหมเยอะไม่หลงเลื่อยๆเนาะเคยเรียนระยะถ้าเขาคิดว่าเมื่อวานเราหลงเป็นระยะระยะแบบนี้ไห ก่อนปีเกินก่อนเราจะหลงแบบนี้นหก็หลงใชครับแต่ีหลงไปเลยหลไปเลยีว่าหลงตะลไปเลยใช่ไหมนี่มันก็หลงเหมือนเดิมนะแต่เียงว่ามันจะหลงตะลหรือว่าหลงแลไม่ตะลึกใช่ครับเหมือนหลงไปแล้วไหลเรื่อยนะหรือว่าลงไปทั้งอารมมันสุดๆเนาะ เศ้าก็เศร้าสุดๆเดินนะอืมทุกก็ทุกสุดๆพอมันสุดๆจริงๆมันค่อยหายมันค่เลยกนะโกรธก็โกรธสุดๆพออารมณ์คลายค่อยดีขึ้นแต่นี้ก็หลงเหมือนเดิมนะโงหลงแต่เราจะเห็นได้ว่าการหลงตอนที่เราปฏิบัติอยู่อารมณ์อารมณ์มเช่นแบบทุกหรือโกรธ หือว่าดีใจเสียใจเนี่ยมันเยอะไหมจิตจืดใช่ไหมันโอเนะจิตจืดเนาะมันก็ยังคิดอยู่หรือมีอารมณ์แต่มนรชาตมันมันจิตจืดนะมันไม่เอานนี้แต่ถ้าเราขาดสติมันจะจืดให้เราไหมใช่มบาทีเรื่องเล็กน้อยเนาะ เราก็ขยายให้ใหญ่โตรเรื่องเล็กน้อยก็ทำให้เราทุกข์มากก็ได้เรื่อนี่นิดหน่นอยห่อยก็ทําให้เราทุกข์มากอันนี้ก็เราไปเห็นเห็นแต่คามว่อันนี้ก็ไม่ไม่ใช่ผิดที่เรามีหลงไปบ้างแต่แตเราไมแต่ก็รอะไรก็ถึง ร, ร, ร, รู้ว่าเราหลงเพราะอะไร เราดูมันเนาะนั่นแะคือมันก็ยังลงอยู่แต่เพราะเราดูมันเราเลยเห็นมันกิเลส ก, ก็ยังมีความทุกข์ก็ยังมีแต่พอเราเห็นมันมันก็เลยทำอะไรไม่ได้นะหรือว่ามันก็แค่ท่านๆหลวงพรอกาเสียนให้เปรียบเทียบบอกว่าเหมือนเราเดินไปแล้วเห็นงูเมื่อเราเห็นงูอยู่ต่อหน้า งูก็ทําอะไรไม่ได้ก็เราหยุดเราระวังตัวใช่ไหมแต่ถ้าเราเดินไปดูนั่นดูนี่ไม่เห็นงูเราก็จะเหยียบงูใช่ไหมสติเราก็เหมือนกันกิเลสมือนกับงนะูเราทํานั่นทำนี่แล้วไม่สนใจถึงถึง็นกิเลสที่มันแสดงในใจเราก็เลยเผลอไปโดนมันฉบมันกัดมันรัดนะบางทีน ะ, ะนะท่านบอกพอเห็นเห็นงู ก็เลยไม่ถูกมูกัดอันนี้เนาะนั้นกิเลสมันก็มีข้อติกก็มีแต่เราพอเราเห็นนะมันก็ทำอะไรไม่ได้เนะต็บ ร, รู้สึกไหมบางทีก็เห็นนะก็ดูนะแต่ก็ห้ามไม่ได้มีไหมรู้ก็โกรเนาะแต่ทำไมมันไม่หายโกรรู้ว่าอยากน รู้ว่าปุ่มแต่งแต่ก็ไม่หายรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรถึงการจะนาอ่ามันหล่นไปแล้วแต่ทำไมไม่หายหล่นอ่าพยายามดึงแล้วแต่มันดึงไม่ขาดทำไม ่า <c oughs> อก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะหลายปัจจัยแต่ก็ประมาณวา่าบางทีเราเคยไหมเช่นโตตัวนี้ยคุณการจนา่งยุ่งไรไหมไม่ได้ไม่ไหวเนาะอืมท่านี้ไหวไหมไหวอ่านี่ยแหละอาิตย์กำลังเราไม่ไหวกำลังเราไหวแค่นี้อ่ากำลังแบบนี้ไม่ไหวเนี่ย พลัสติเราก็เหมือนกันบางอารมณ์รู้แล้วก็ละได้แต่บางอางรมณ์รู้แล้วก็ละไม่ได้นะมันยังใกล้กำลังเรายังไม่พอ น, นี่ก็เรียกว่าบางทีสติมันอ่อ น, นหรือบางทีเราก็ไปรู้ตอนที่มันหนักแล้วเช่ น, นมันโกรธมากๆรู้ก็มันไม่หายเพราะว่าเราปล่อยให้ไฟมันไหม้ปิดใจเราไปเยอะแล้วน มันก็เลยมันทุกอยู่แต่ถ้าเราเห็นมันตั้งแต่ตอนที่ ม, มันเริ่มลุกนินนเ ล, เลช่ใช่เพราะนั้าก็ต้องปล่อยไปทั้งมันห <c oughs> ือบางทีก็ถ้ามันจะไปแต่ก็แม้ดับความโกรธไม่ได้นะแต่อย่างน้อยขอให้รักษาสิ่งคืออาจจะโกรธในใจแต่เราก็ยังมีสิ่งที่ไม่ไปดา่า <c oughs> เขาออกไป หรือไม่ไปทำลายเขาอันนี้คือบางทีมันก็มีนะอารมณ์เนี่ยโกรธเราก็ยังแต่เราก็ต้องรักษาสิ่งแล้วก็หาอุบายหาอบายระบายความโกรธระบายนี้จะดีความเงินความนี้นะนะโกรธอยู่ที่ทํางานจะระบายอยู่ที่บ้านนันไม่ได้นะอืปไประบายกับการงานที่ที่มันทําให้ผอนคลายเนาะ บาคนไปต้นน้ำต้นไม้แล้วผ่อนคลายก็ไปไปทำแบบนั้นนะเพื่อเป็นอุบายนะเราสังเกตใหมเมด่อเราเครียดค่นใหญ่เราจะทำอะไรกิน อ, อะไรต่ำเพลงะไอีที่ตอามีภข้าพของเยอะแยมากมายไง <laughs> ปิเนี่นี่นะสบายมีกองศพอืมน่ะอันะนั้นเป็นอุบายนะแต่อุบายบางอย่างโอเคนะ อ, อุบายบางอย่างก็พอได้นะ่ะกินนะถ้าไม่เกินไปก็พอได้นะช็อปปิ้งถ้าไม่เกินไปก็พอได้นะอืมหาเรื่องบางคนก็มีนั่งทีก็เครียดนะอย่าไป็ช็อปปิ้งนะแต่ต้อมีเหตุผล น, นะเดี๋ยวเป็สบายพระ <c oughs> ขอให้ได้ซื้อสักหน่อยแหละะซื้อไปถวายพระน่นก็มีนะอือันนี้ก็เป็นปูายแต่ก็ลองดูถ้าปูใบใดที่ไม่ทําให้ให้ตัวเราเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนก็ก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าแต่บางทีนี่กินเราเยอะแต่เราก็ยังแบบไม่รู้จักผ่อนเรื่องการซักซิ้มันก็ไม่ได้หรือบางทีเราก็อ้อนวนเราก็เป็นโรคเกี่ยวกับการกินเราก็ที่งไปกินอีกอันนี้ ทําทำตัวเองเรือร้อยนะแล้วก็อาจจะทําพือื่นเรือร้อยตามมาอีกแต่ถ้ามันไม่เกินไปก็ได้นะนะมันก็ค่อยๆทำว อ, อย่างก็แม้มันไม่หายนะก็วางใจไม่หายไม่เป็นไรก็รู้ไปมันจะค่อยๆเบามาัดมีตอนนึงอาตมาตอนบวชปริชาแรกยังไม่ได้ปริชาแบบคนต้องปริชา พอดีตอนเรียนอยู่ก็แบบผ่นทหารไปเรื่อยนะตอนเรียนแล้วก็ไม่ได้ไปจับทหารไม่ได้เรียนรอรอพอเรียนจบก็บวนชก็บวชไปแล้วก็ก็ยังไม่เสร็จตรงนี้นะเขก็ไปจับทหาร น, น, นะแล้วก็ไปเป็นพระตรงนี้เลยนะโอ้มีคนเชียร์ให้ติดเยอะมาก <laughs> น, น, น, นะจำไม่เคยนะเชียร์ให้พระติดนะก็เป็นความสนุกแบบอาละวาดนะ เราจะเป็นภรพลุกแรกที่ไปจับเลยนะโอ้มีดต่คนแบบร้องนะแล้วก็ไปจับนะก็เห็นเลยใจมันตื่นเต้นนะเพราะว่าเหตุการณ์เราก็ไม่อยากเป็นทาหารไม่อยากเสื่อมเ่อคนก็เขียนให้ติดใจมันตื่นเต้นขณะที่ไปเข้าคิวเดิในไปจับก็ใส่ น, น, น, น, นะก็พลิกมือไปเดินพลิกมือเพราะว่าเนี่ยจมันตื่นเต้นมันจะควบคุมไม่ได้แล้วก็ มือปิดมือไปพอไปถึงตอนจับนะมันก็ไม่คิดอะไรก็จับไปจับแล้วไม่ติดออมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าดีใจแบบบางคน น, น, นะเดี๋ยวนีแบบพอจับไม่ติดก็ดีใจร้องพอจับติดก็เสียใจร้องไห้นะแต่มันรู้สึกเป็นตเราตั้งสติไปก่อนก็จับทีต่ตึงเต้นตึงเต้นเขาค่อยๆลบอนกคิดว่าถ้าจับติดเขาคไม่ค่อยทุกเท่าไหร่แต่แต่ไม่ติดก็ ก็ไม่ค่อยแบบดีใจเท่าไหร่แต่ก็เห็นเออภาพใช้เราพิกมือเฉยๆนะอืมตอนที่มันทุกข์หนักๆ น, นะตอนที่มันตื่นเต้นมันก็มันก็ช่วยเราได้เยอะเลยอือันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เดินมาก็เห็นอันนี้ส่งเออใช้พิกมือจเฉยๆนะมันช่วยเราได้ความตื่นเต้นความกลัวตั้งแต่นนะความกลัวนะบางทีก็ มีนัดตาอไปบวดใหม่ๆไปอยู่ในอาหารเป็นเดียวนะบางทียิ่งกุญที่มาไปอยู่ครั้งแรกนะกุฏเบอร์สิบนะข้างหลังมันก็มีโพงมันมีมคล้ายๆจอมปลวกมันก็มีรูอะไรอย่างยตอนเราไปอยู่เราก็ไม่รู้นะไปอยู่หลวันนะก็เห็นว่าเป็นทางเข้าหอกของงู <Okay. S 1> อยู่หลังหลังกุฏิเลยนะงูก็ดู ที่ทำไตัวมันใหญ่จังตัวยาวตัวสตรีตามได้นะคาดว่าจะเป็มนมูจงอางคาดว่าที่มันเราต้องแบบเวลาจะลงจากกุฏินะไปเข้าห้องน้ำลงกุฏิไปทำวัดนะบางทีตอนคือตอนเดินไปก็ระวังอย่างยิ่งไปใกล้ๆ ก, กุ้ฏิยิ่งความตื่นเต้นยิ่งมากขึ้นนะแต่ก็ใส่สเสื้อคอยประคอง จะดองนะจะดองจะขึ้นก็ก็หวังกลัวมันจะขึ้นไปะอนที่หน้าประตูอื <c oughs> อันนี้นก็แต่มันก็เป็นการฝุกสติเรึเปล่านั่นก็อันนี้ก็เป็นนัก็เป็นเหตุการณ์จริงแต่มาว่าพวกโยงอาจจะมีเหตุการณ์หลายอย่างเนาะทําให้เราตื่นเต้นทําให้เรากลัวทําให้เราหลงเนาะเราเอาอบุบายไปนันไปใช้ มีใครจะถามอะไรนะเชิญนาทีนะครับที่ท่านอาจารย์ค่ะอธิบายได้เพาช้าพูดเรื่องทิพย์าทีละขนาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องอธิบายมันรู้สึกเลยนะที่อธิบายเนี้ยเรารู้สึกตัวมันฟุ้งไหม คือชีวิตเราเนี่ยจะมีอยู่แค่วินาทีเดียวตรงนี้ใช่ไหมคือ่ึเราจะรู้สึกตัวอยู่ทุกวินาทีนั้นก็คือคือเป็นยิปหานครั้งนึ่งครั้งหนึ่งถ้าเรารู้สึกปัวขึ้นมาใช่ไหมฮะประมาณนั้นหรือเปล่าคะก็บางทีบางคนกล้าพูดเลยนะชีวิตผมไม่มีอนาคตเป็นชีวิตแบบไม่มีอนาคต ถ้าเป็นคนที่ไปฟังเหมือนพี่คนนี้มันเหมือนเป็นคนเหมือนไม่มีเป้าหมายชีวิตไม่มีไม่มีความคิดไม่มีอะไรเลยนะเหมือนถ้าเราฟังชีวิตไม่มีอนาคตเนี่ยเหมือนคำว่าอนาคตแต่ที่จริงแล้วก็ถ้าจะบวกไปยังชีวิตไม่มีอดีตเลยค <c oughs> ชีวิตจริงเราจริงมันอยู่ตรงนะี้อยู่ที่รัตนะอดีตก็ผ่านไปแล้ว คณะก็ยังไม่มาเราอยู่ที่ลักษนะไปนนะอาจารย์ตกลงตอนนี้นะเป็นโรคมะเร็งอะเงียะกิดท้ายครับท่านก็มาจะพูดไระจําว่าเหมือนมีชีวิตวันหนึ่งแล้วก็คืนหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็คืนหนึ่งอยู่ไปแบบวันๆถ้าเราว่าแบบอยู่ไปวัเหมือนเหมือนเลื่อนลอยเนาะแต่จริงเราก็อยู่ได้ทีละวันไปเรื่อย่ะแตนพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าต้องรู้ แต่ถ้าว่าไปจริงอ่ะพระพุทธเจ้าท่านถามว่าต้องเจอแล้วก็ถึงความตายคล้ายรวันหนึ่งแล้วก็ถึงความตายกี่ครั้งหนึะครับบางรูป ก, ก็บอกวันหนึ่งก็แล้วถึงครั้งหนึ่งบางรูป ก, ก็บอกสองครั้งบางรูป ก, ก็บอกว่าทุกครั้งที่ใช้อาหารบางรูป ก, ก็บอกประมาณทุกการเคี้ยว <c oughs> ทุกการเคี้ยวเนี่ยก็ระึกถึงความตายทุกขณะลูกพี่แบบแบบนี้ดีคือทุกขณะทุกขณะที่เราทำอะไรถ้าเราขารระลึกถึงความตายลูกพนั้นพู่หมายถึงว่าการมีตวามหมายหรือการมีสติทีละขณะทีละขณะเป็นการอยู่กับปัจจุบันตัดอดีตตัดอนาคตแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีมันมีะ แต่บางทีเราทุกข์ก็เรื่องอดีตไปคิดเรื่องอดีตแล้วทาให้ เ, เกิดความทุกข์ใจบางที่เราก็ทุกข์ร่วมหน้ากับหนใจถ้าแม่เราตา ย, บบ ย, าายจะเป็นแบบไหนถ้างานมันล้มเหลวจะเป็นแบบไหนไหมถ้าเพื่อนบิดนัดจะเป็นแบบไหนใช่ไหังนะเราก็คิดวางแผนแล้วก็ทุกข์ใจเลยค่ะทุกฟรีค่ะใช่รู้ว่าถ้าแม่เราตายเราจะเป็นแบบไหนดีที่เตายก่อนแม่ใช่ไหมมัน ทังทุกปีๆไปเพราะพระเจ้าก็บอกว่าอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาสิ่งสำคัญคือให้เราอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนั้นจะโยธรรมบังตัดละวิปัสสตินี่แสดเราอยู่กับปัจจุบันนี่สำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เราจะเห็นว่าจิตมันไม่ทุกข์แต่ถ้าเราเจ็บคิด โดยตั้งใจคิดก็ได้นะตั้งใจคิดวางแผนตั้งใจคิดรบทวนบทเรีย น, นอดีตว่าเป็นหูกทางหมอนตัวเองหรือทางหมอนสอ็ตื่นถ้าแบบนี้นคือเอาปัจจุบันไประลึกคิดถึงเรื่องอดีตเอาปัจจุบันไประลึกคิดวางแผนนะครอันนี้ก็เรียก ว, ว่าอยู่ปัจจุบันได้แต่ําว่าเราลืมไม่อยู่กับปัจจุบันบางทีเราก็ไหลเลยไหล ดีครับมันก็มีคนนึงถามนะบางทีเช่นแบบเวลาเราเศร้าเราอยู่กับพยาบาลคือเราต้องอยู่กับความเศร้าถูกไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เนาะต้องอยู่กับไหนอยู่กับปกติใช่ไหมอันนี้อยู่พยาบาลคืออยู่กับสวัสิีที่ปกติเลย ไ, <c oughs> ไม่ใช่ว่าอยู่กับพยาบาลคือเช่นข้างนอกวุ่นวายแต่ก็ต้องวุ่นวายไปด้วย หรือร่างกายเราเจ็บเราก็ต้องอยู่กับความเจ็บแต่คือมันยอมรับเช่นยอมรับความเจ็บที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่ใจเราอยู่กับความไม่เจ็บแต่เรา อ, อยูกับความทุกข์หมายถึงเราต้องแยกถ้าแยกขันอะไรได้หรือเปล่าอ่าแยกได้แต่ก็จะไม่ต้องกังวลว่าต้องแยกตอนนี้เอาแค่รู้สึกตัวนั่นแหละมันก็จะดูงมาทีละขณะเมื่อดูงมาธิและขณะขมันจะได้ค่อยเกิดปัญญา ใ น, นในการแยกไปแต่แยกก็ไม่ใช่ว่าเหมือนมันจะแยกตายตัวเลยนะมันก็ติดความสัมพันธ์กันแต่มันมันไม่จะเป็นต้องไปทุบด้วยกันอคปฏิบัติปฏิบัติที่บา้านนะคะปฏิบัติที่บาทท้านนะคะแล้วก็ตั้งใบการปลูกไว้เ ป, ป็นยังไงการปลูกมันร้อง ในในการปลูกปกติอ่ะที่ตอนเช้ามันปลูกเราก็เฉยๆแต่เวลาเราปฏิบัติแล้วเราิดใช้ในการปลูกเนี่ยมันใจมันแบบมันเหมือนแบบตกใจมากแบบเนี้มันมันมันเป็นเน้ออะไรนะคะอันนี้ตอนตื่นนอนเน่ยหรือว่าไม่ใช่ค่ะตอนตอนเย็นเนี่ยก่อนก่อนเราจะนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งปฏิบัติแล้วเราก็ตั้งใจปลูกไว้พอมันปิ๊มปิมปิมมา เหมือนตกใจมากค่ะแต่แต่ถ้ามันปุกตอนเช้าไม่ตกใจนะก็ตื่นสังเกตไหมเวลาเวลาอะไรเกิดขึ้นมาก็จะแต่ที่เราตกใจมากข้องจีตสติก็ไม่ใช่เพราะเรามีสมาธิกับบางอย่างมากเกินไปเรามีสมาธิกับบางอย่างมากเกินไปแ้่พอเกิดบางอย่างขึ้นนะมันก็เลยตกใจมาก นี่เป็นเพราะว่าเราเท่นึบป่ะคะนิดนิดแบบนั้นแ่ะคือมันมันตั้งใจเรื่นี้มากเกินไปแต่ถ้าถ้ามันไม่ตั้งใจมากเกินไปนะเสียงที่เกิดขึ้นหูที่หรือว่าตาที่เห็นมันก็ได้ยินธรรมดาแต่มันได้ยินแล้วมันจะไม่ค่อตกใจคือตกก็นิดหน่อยข้างในแต่มันจะไม่แบบแสดงมากแต่ถ้าเราแบบตั้งใจอย่างหนึ่งอย่า ง, งหนึ่งเลยมากเดินไปพอบางอย่างมนแทรกเขา้ามามันจะทําให้แบบ เกิดกแบบับการตกใจมากกว่าปกติเราสังเกตเลยนะใช่ไหมบางทีบางทีคนทําแบบสมาธิมากพอเจออารมณ์ที่มันแบบกระทบแบบมันจะเกิดสภาวะที่มันเหมือนมากกว่าปกติ mm hmm. เช่นบางทีแบบเสียงวุ่นวายเสียงนิดหน่อยนะมันจะรู้สึกแบบลาคาญมากกว่าป ก, าปกติ อันดีสมาธิมากไปก็ต้องระวังนะแต่ถ้าเป็นสมาธิที่มีสติประคองอยู่มันจะรู้รู้แล้วก็ถ้าใจเราเผลอไปคอใจไม่คอใจมันจะกลับมาได้เร็วมากมันเหมือนคล้ายๆเราตึงก็เสื้กมันตึงนะอะไรมันตนัดมันมันขาดไปเลย แต่ถ้าเชือกขาดแบบหลวงพเพียนนะั้นขาดแบบขาดพกขาดชาดันดีนะแต่ขาบบบดสติไม่ดีครับอาจารย์ะจะทำยังไงดีเวลาถ้านั่งสมาธิพยายามเวลานั่งสมาธิอะนะคะพยายามเระลึกว่าพุโทโธพุทโธแต่ความง่วงเนี่ยมันจะเข้าพอกมันมันจะมันจะนั่งมันจะไม่ได้นานมันก็จะหลับมา อันนี้มีมีทางทำยังไงได้บ้างไหมคะแต่ก่อนตอนมาเด็กๆนะแล้วก็ก็นั่งตุดโตเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นอานิสงส์นั่งตรงน้่งตอนก่อนนอนนั่งตุดโตไม่นานห้านาทีนี่ก็ไปแล้วนอนดับเลยนั่งแล้วก็เอนลงแล้วก็ดับเป็นทีมันบางทีก็เคริ้มง่ายนะบางทีกันทําสมาธิหลายคนก็คเอ็กๆก็ไม่ผ่านตัวความงวง มันไม่ผ่านจต่อพอม่วงก็ถ้าถ้าอยากจะนั่งสมาธิแล้วก็พูดโทยู่เหมือนเดิมมันอาจจะต้องไป ใ, ใช้มันไม่รู้นะอาจจะพูดโทให้มันชัดๆขึ้นก็ได้ชัดๆขึ้นก็ได้แต่มาว่าลองแบบนี้ใชมไหมท่าง่วงก็เปลี่ยนออกมาเปลี่ยนออกม า, ลออกมาพลิกมือเลยนะ เพราะว่าถ้านั่งแล้วหลับมันก็ไม่ได้ประโยชน์เปลี่ยนออกมาพลิกมือได้ดีกว่าขณะดพิกมืออย่างง่วงนะขนาดดึงกายยางง่วงนะแต่แต่วิธีนี้มันจะทำให้แบบเรามีเทคนิคมีอไบายหลายๆอย่างช่วยพลิกแบบนี้ง่วงเลยบทีหพอเทียนน่สอนนะสอนท้าแก้ ง, ง่วงแบบแต่มาชอบไปสอนเป็ดจีนเหมือนกันนะเข้าชอบเหมือนกนพ่อเทียนให้า แรงคือมันก็เป็นจังหวะเป็นอุบายนะให้เราจริงๆเขชอบนะเหมือนกำลังภายหนแต่ก็แต่ตรงนี้เราเขากินนั่นสอนจริงแบบนี้แต่มันก็เป็นแค่อุบายอีกเองอุบายทำอะไรให้เราตื่นชัวขึ้นมาบางที ทีสมาธิกับความสงบแบบความสงแบบสมาธิกับความง่วงนอนบางทีมันใกล้กันสังเกตไหมตอนตอนเราจะหลับนะก็คือเราไม่ค่ยคิดมันถึงหลับแต่ถ้าตอนไหนมันคิดมันก็เลยไม่หลับนะหรือบางทีถ้าเราจะทําสมาธิแล้วมันง่วงมีวิธีก็คือหายใจเขา้าลึกๆทั้งใจหายใจเขา้าลึกๆ ออกยาวมันเ พ, พิเ่มออกซิเจนเข้าไปในสมอง ม, มันจะทำให้เรามึนง่วงหรือว่าก็มง่วงแล้วคอก็จะตกะนั่งให้มันตรงๆคอตรงๆเลยนะอันนี้ถ้ายัางทำแบบสมาธิแต่ถ้าวิธีคือ ต, ต่นิมันก็จะแก้ง่วงได้ดี ต้องแอ่ชัวงเดียวเราไปปฏิบัติอนเดียวผมเคยทำไม่หนักไปเลยอันนี้หนักไปเลยทอถ้านยทนก็ตอบกลับมาประมาณว่าเ o าไม่ท เหมือนกันคือสัมมาทิฏฐิควอมเห็นชอบมันก็เป็นเรื่องเดียวกันอืมเรื่องเรื่องอการเห็นทุกข์การรู้เหตุแหทุกข์การดับทุกข์หรือว่าการเจริญมรรคทุกเนี้ยทำแต่องธรรมศาสาร์มันต้องเป็นเหมือนกันแต่ที่เมื่อกี้มันอาจจะเขาเรียกว่าเป็นปฏิปทาอย่างที่มาอธิบายย่างกลางวันว่า บางทีมันมีวิธีปฏิบัติมันมีสองเขาเรียกว่าสองชนิดหรือเปล่าเรียกว่าคือมันเป็นพวกหน่นเป็นทุกขาปฏิปทาปฏิบัติด้วยความลาบากหรือว่าด้วยอาการที่แบบจริงจังหรือว่าทุบๆหน่อยอีกพวกหนึ่งเป็นเรียว่าทุกขาปฏิปทาปฏิบัติด้วยความสบายนะด้วยทําไปเรื่อยๆผ่อยคลายนะมาแล้วก็ มันน่าจะเป็นถ้ามันน่าจะเป็นบางทีบางคนก็เป็นเรื่องทุกข์ขาปฏิบัตปทาเขารู้สึกว่าถ้าปฏิบัติแบบหนักหนักหรือว่าเอาจิ้งไวจังเขารู้สึกว่าเขารู้ตัวดีแต่บางคนทําแบบนั้นแล้วยิ่งเครียดหรือว่ายิ่งแบบรู้สึกตืดอัดก็อาจจะไม่ใช่ทางสําหรับเขาเขาจะรู้สึกในที่อยู่แบบเนี้ยอยู่ท่าสบายสบายนนอนก็ ห้ 5, ชั่วโมงพอดีกับตัวเขาอ น, นี้อาจจะเป็นความพอดีสําหรับเขาเนีย่ยงจะมาเองก็เคยแบบลองนอนแบบน้อยๆแต่มารู้สึกว่าส่ว น, นตัวนะถ้ามาได้นอนห้าหรือหกชั่วโมงเป็นอย่างน้อยมาจะรู้สึกดีถ้า น, น้อยกว่า น, นั้นไม่พอดีกับตัวเองเพราะว่าตํางวันเราก็ไม่ได้นอนกลางวันเราไม่ได้พักผ่อน หมายรู้สึกว่าอือแบบนี้พนะอดีกับตัวเองเพราะว่าถ้าวันไหนนอนน้อยกว่าห้าหกชั่วโมงก็จะที่สึกไมก่สุกชื่อผิดเพี้ยนกอบตัวเแต่บางรูปบางคนอาจจะจะต่าง ก, านกันเนาะเรื่องการนอนก็ดีเรื่องการกินก็ดีหรือว่าเรื่องการปฏิบัติในรูปแบบก็ดีบางคนอย่างตมาเองก็ชอบกยูในที่ต้องโรค ท่าเดินจงกองนั่งยกมือท่าได้มองไกลๆที่ห้องโรคก็ู้สึกว่ามันผ่อนคลายปฏิบัติก็ดีแต่ถ้าอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเช่นอยู่ในปุติแล้วนั่งยกมือหรือว่าเดินอยู่หน้าปกติดดสั้นๆับมันก็ไม่ใช่ว่าจิตเราดีปกตินะแต่โดยสภาพแวดล้อมมันมันน้องให้จิตมันไม่ไม่ผ่อนคลายอันนี้สำหรับตัวเองนะแต่บบางคนอาจจะพอดีกับเขาก็ได้ อันนั้นมาเป็นปฏิปทาไม่ใช่ไม่ใช่ทางสายกลางหรือทางสุดโต่งนะทางสายกลางเป็นเหมือนกันความเพียรชอก็เป็นความเพียรในการนาาักขับกุศลเจะเดินกุศลเหมือนกั น, นสติก็เหมือนกันรู้กายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันแต่อาจจะด้วยอุบายของแต่และ ว, วิธีถึงต่างกันไปบางคนกดนอนแล้วมันเห็น เป็นบางอย่างสภาวะทรรมที่มันแสดงแต่เห็นนะั่นไม่ใช่ปิกโคบนะบางคนอดอาหาไนดะ้วเห็นความอยากเห็นความอะไรต่างๆพอมันหิวแนละ้วมันโวยวายเลยนะแต่บางคนโวยวายมากจนฟุ้งซ่านก็อาจจะไม่เห็นะแต่บางคนพอดีพอดีเออไม่เคยเห็นเออได้เห็นอันนี้ก็ในพวกเราก็ดูแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องดูแต่เองนะว่าแบบไหนคือพอดีนะ พอดีสำหรับอย่างเราเดินนั่งยืนนอนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนั่งได้นานกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะสติดีกว่านะบางทีด้วยร่างกายด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็อาจะนั่งได้นานกว่าหรือเดินได้นานกว่าแต่เราเอาตัวที่ตันนวสติเป็นหลักจะปรับเปลี่ยนดีแยบอดเราต้องสุดตัวได้ีน้แบบหลงพเทียนนะ <c oughs> แต่บางคนก็ใส่การรู้เช่น เห็นเวทนานั่งนานๆเรื่อเห็นเวทนามันเกิดมันดับก็ได้เหมือนกันอืมเออนี่แบบยาเขียนคนที่ติดตามหมอคัทเทียนนะครับท่านบอกว่าสมอเทียนมีชีวิตอยู่เนี่ยคือถ้าท่านรู้ว่าโยมรู้ว่าผันรูไหนที่ปฏิบัติแล้วไม่หนอนเนี่ยเคยไม่รู้จริงใจไหนแต่ตามไปถึงบุติกอะไรตื่น นอนแต่บุญเคยตก่นมาไปดีไว่าทอานบุเห็นคนคือแต่ที่มาจะกินหลวงพ่อเทียนก็เคยแบบลองอันนี้คือตอนหนังนะคือท่านก็ทําแบบแบบลองไม่นอนท่านนอนเขาใช้คำว่าเหมือนท่านนอนว่าเอากลังวันเป็นกังคืนเอากังคืนเป็นกังวันไม่นอนกลางเอาอ น, นอนกลางวัน ไม่นอนกันคืนท่านลองดูนะท่านก็ลองเพื่ออะไรเพื่อท่านจะได้รู้ว่าแบบนี้มันมันไม่เหมาะกับสุขภาพหรือไม่เหมาะกับการเจริญสติแล้แต่ท่านก็เลยบอกให้ให้มันพักผ่อนบ้างแต่มันก็มีบางช่วงนะอันนี้ถ้าเป็นบางช่วงไม่ใช่ว่าเป็นความตั้งใจแต่บางอารมณ์มันจะมีสภาวะที่สติมันตื่นฟลางคืน มันไม่ยอมหลับของมันแต่ตื่นแต่แต่เช้าขึ้นมาก็ไม่เกลียดตัวี้นะคือมันก็เคยบางช่วงบางช่วงมันมันเป็นแบบนั้นคือพอ น, นอนไปเหมือนไม่หลับก็ดุกระดิกเด็กคิดนั่นคิดนีดน่มันรู้ตัวไปหมดเลยมันรู้ ม, รมันเหมือนไม่หลับทั้งคืนเลยแหละแต่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่งงเงียอันนั้นเป็นมันเป็นช่วงที่สติมันคล้ายหนึ่ง มันตื่นมากเกินไปนะแต่มันก็เป็นช่วงหนึ่งพอเราคปอยๆปรับมันก็จะกลับมานอนได้มีพระอาจารย์ตนะ้นเงชาวเนธแลนด์นะอาจารย์โพลกันท่านอาจารย์ภาษาที่วัดตุกตอาจจะติดกปีที่ผ่านมาท่านมาอยู่ในภาษาท่านท่านขอเก็บอารมณ์สามเดือนนะ่ยนะบางทีก็ท่านก็มาเล่ า, เ, าเล่าประสบการณ์การปฏิบัติให้หลองพ่อเข้าเสกให้ฟังทั้งหมด มีช่วงหนึ่งท่านแบบนอนไม่หลับแบบ อ, อี่ยที่ว่ามันคืนนะแต่ก็ไม่ได้เครียดท่านบอกน่าจะถ้ามาจากไม่ติดน่าจะร่วมเกือบครึ่งเดือนหน้าที่ท่านเด็นนะคือกลางคืนก็ไม่หลับกลางวันก็ไม่หลับนะแต่แต่กม็มันก็อยู่ได้แต่ผ่านเด็กตาบ้านนึงก็ก็โอเคก็ต้องฝึก